หมายเหตุทิ้งท้ายจากผู้บันทึกเสียงคำสอนครูบาอาจารย์ในสายปฏิบัตินั้นจะเน้นที่หลักสำคัญแบบประชับเรียบง่ายไม่ได้ลงรายละเอียดในเชิญการอธิบายสับมากนักจึงอาจจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานหรือมีประสบการณ์ภาวนา ม, มาบ้างนะครับหากมีโอกาสมีเวลาควรฟังซ้ำอีกครั้งและขอแนะนาให้ฟังเสียงอ่านชุดพุทธธรรมให้ครบทุกบทให้ได้สักครั้งในชีวิตจะทาให้ท่านมีพื้นฐานในการฟังธรรม โดยเฉพาะหลักสําคัญและคําศัพท์ได้เข้าใจถูกต้องตรงทางและดียิย่งขึ้นและยังใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตรวจสอบเทียบเคียงกับคำํำสอนในสายต่างๆที่อาจมีแนวทางที่ต่างกันไปว่าอยู่ในกรอบของพุทธศาสนาหรือไม่ซึ่งธรรมะแท้จะต้องลงรอยได้กับทั้งสามปิดกเท่านั้นซึ่งสมเด็จพระพุทธโฆาษาจารย์ท่านรวบรวมมาจัดเป็นหมวดหมู่พร้อมคําอธิบายศัพท์ให้ศึกษาได้ง่ายแล้วในหนังสือพุทธธรรมฉบับป ร, รับขยาย และปัจจุบันก็มีให้อ่านออนไลน์สะดวกเช่นกันนะครับสาหรับการศึกษาธรรมนั้นต้องเข้าใจให้ตรงกับจุดประสงค์ในแต่ละครั้งที่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านสอนด้วยสั์คาเดียวกันในแต่ละแห่งนั้นอาจมีความหมายต่างกันไปเช่นคำว่าสังขารบางแห่งหมายถึงความคิดความปรุงแต่งทางจิตความชอบชังบางแห่งหมายถึงร่างกายบางแห่งหมายถึงขันหทั้งหมด สั์บางคำอาจเป็นคำเฉพาะที่ใช้กันในหมู่พระกรรมฐานสายพระป่าเช่นคำว่าผู้รู้ซึ่งก็อาจมีการอธิบายเปลีกย่อยแตกต่างกันได้บ้างและในบางกรณีท่านก็อาจอธิบายคำว่าจิตกับใจและวิญญาณให้แยกเป็นความหมายของจิตที่ต่างกันหรือบางท่านก็อธิบายทั้งสามคำนั้นรวมลงเป็นความหมายเดียวกัน จึงควรทำความเข้าใจให้ตรงกับแต่ละจุดประสงค์และในย่าในการอธิบายของครูบาอาจารย์แต่ละท่านด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องอาศัยการสังสมสุตตะด้วยตัวของท่านเองคือต้องอ่านหรือฟังให้มากพอระดับหนึ่งก่อนด้วยนะครับคาหลายคํามีความหมายต่างจากที่ใช้ในภาษาไทยเช่นอารมณ์ทางธรรมะหมายถึงเรื่องยึด่วงของจิตสิ่งที่จิตยึด่วง สิ่งที่ถูกรู้หรือถูกรับรู้ได้แก่อายตนะภายนอกหกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะคือสิ่งถูกต้องสัมผัสกายและธรรมอารมณ์อารมณ์ทางใจสิ่งที่ใจนึกคิดยกตัวอย่างคือรูปอารมณ์อารมณ์คือรูปซึ่งจะต่างจากอารมณ์ในภาษาไทยที่ใช้หมายถึงความรู้สึกหรือความเป็นไปแห่งจิตใจในขณะหรือช่วงเวลาหนึ่งๆเช่นว่าอย่าทําตามอารมณ์ วันนี้อารมณ์ดีอารมณ์เสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องเข้าใจให้ตรงว่าอารมณ์ในทางธรรมะคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งที่ใจนึกคิดหรืออายตนะภายนอกไม่ควรสับสนกับคําว่าอารมณ์ในภาษาไทยอย่างที่เข้าใจกันนะครับยังมีอีกหลายคําที่ถูกนําไปใช้ในภาษาไทยและความหมายเปลี่ยนไปคนละอย่างจนนํามาซึ่งการศึกษาธรรมของผู้เริ่มต้นให้เกิดความสับสน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 นอกจากความหมายกองศัพท์และคำเฉพาะของแต่ละแนวทางแล้วการอธิบายธรรมในแต่ละครั้งหรือแต่ละบริบทอาจอธิบายต่างในยักษ์กันได้ตามแต่ความถนัดของผู้สอนและผู้ฟังตรงหน้าเช่นการอธิบายเรื่องพบชาติที่เกิดดับในปัจจุบันที่เข้าใจง่ายและเห็นได้ชัดกันทุกคนกับการอธิบายพบชาติในแบบสังสารวัฏชาตินี้ชาติหน้าในโลกสวรรค์แบบที่เป็นภพภูมิเป็นอีกโลกต่างหาก จึงต้องไม่ประมาทในการศึกษาและให้พึงระลึกว่าการเทศนาธรรมนั้นสามารถแจกแจงได้แตกต่างกันไม่ใช่ว่าพอพูดถึงความเกิดดับในปัจจุบันแล้วจะหมายถึงว่าชาติหน้าที่เป็นอีกโลกหนึ่งนั้นไม่มีอยู่จริงให้สังเกตนะครับว่าครูบาอาจารย์หลายท่านแม้จะสอนแนวนี้แต่ก็จะมีการสอนปลีกย่อยที่ท่านพูดถึงอีกด้านหนึ่งไว้ให้เข้าใจได้ว่าท่านไม่ได้ปฏิเสธว่า พภูมิโลกหลังความตายไม่มีจริงเพียงแต่ท่านไม่อยากให้คนที่อยู่ตรงหน้าไปสนใจเรื่องเหล่านี้ให้เน้นการปฏิบัติให้บรรลุธรรมด้วยตนเองให้เร็วที่สุดแล้วจะรู้เองเห็นเองไม่ต้องมาเสียเวลาอธิบายที่บางครั้งไม่ต่างกับการอธิบายเรื่องสีเหลืองสีเขียวให้คนตาบอดเข้าใจคือต่อให้พูดแค่ไหนก็ไม่มีทางเข้าใจได้จนกว่าจะหายตาบอดก่อนแต่เมื่อเจอคนที่พร้อมท่านก็อธิบายไปตามพอสมควร ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงมีแนวทางเช่นนี้คือตรัสสอนแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละคนท่านพุทธทาสเองแม้จะอธิบายแต่ในแง่เกิดดับในปัจจุบันแต่ครั้งหนึ่งท่านก็ยังพูดไว้ประมาณว่าท่านไม่ได้เป็นมิจฉาทิฐิว่าภพชาติแบบนั้นไม่มีจริงแต่ท่านไม่ไปแตกต้องเท่านั้นให้ยกเรื่องพวกนั้นไว้ก่อนซึ่งสาหรับท่านที่จะยึดตามแนวนี้ ก็ต้องเข้าใจหลักสําคัญด้วยว่าเมื่อไม่สนใจเรื่องเหล่านี้แล้วก็ต้องปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานให้จริงจังสุดตัวด้วยจึงจะตรงกับวัตถุประสงค์ของท่านเพราะถ้าปฏิบัติจนรู้ธรรมเห็นธรรมจริงแล้วก็จะเหมือนคนตาบอดที่รักษาตาจนหายได้จึงเห็นด้วยตัวเองว่าพบชาติมีจริงหรือไม่อย่างไรซึ่งนับว่าเป็นทางลัดตรงที่สุดกับชีวิตมนุษย์อันน้อยนักนี้ปัญหาคือคนจํานวนมาก ที่ปฏิบัติก็ไม่เอาจริงจังยังไม่ได้ฌานไม่ได้ญาณอะไรทั้งนั้นเอาแต่ท่องจำตัวหนังสือและสุดท้ายก็กลายเป็นเหมาว่าพบชาติไม่มีจริงกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิร้ายแรงว่าตายแล้วสูญไปซะอีกซึ่งนับเป็นภัยร้ายแรงต่อตอนเองและสังคมอย่างมากมีพุทธพจน์รัสถึงเรื่องภยอยัยแห่งความเชื่อว่าตายแล้วสูญไว้ละเอียดมากก็ปรากฏอยู่เด่นชัดนะครับแต่หน้าแปลกว่า ท่านเหล่านี้กลับมองไม่เห็นข้อความเหล่านี้และพากันเมือนเฉยเรื่องเหล่านี้หรือตีความไปอีกแง่หนึ่งซึ่งตราบใดไม่เชื่อว่ามีจริงก็ย่อมไม่รู้ความจริงของธรรมชาติจึงไม่อาจบรรลุธรรมหรือรู้เห็นตามความเป็นจริงได้จริงครั้นคนที่ยังสงสัยเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งก็อีกนั่นแหละมันก็เป็นวิจิกิจฉาอันเป็นสังโยชน์เบือบเบ้องต้นที่ทําให้บรรลุธรรมเบื้องต้นเป็นพระโสดาบันไม่ได้เช่นกัน จะเห็นนะครับว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ไม่สำคัญเพตธการเข้าถึงนั้นอาจมีแนวทางที่แตกต่างกันเท่านั้นจึงต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าอย่าคิดว่าท่านสอนว่าภพชาติไม่มีแต่ท่านเน้นว่าอย่าไปสนใจและหลายท่านก็ไม่ถนัดสอนด้านนี้เพราะเป็นงานที่ยากพอสมควรเทียบกับการสอนภาวนาแล้วท่านเห็นว่าควรมุ่งเน้นทางนี้กันก่อนเท่านั้น ซึ่งในกรณีครูบาอาจารย์บางท่านที่ศึกษาและแตกฉานด้านสังสารวัตรแบบข้ามภพชาติท่านก็อธิบายเรื่องพวกนี้ไว้ตามสมควรตามโอกาสและบุคคลที่เหมาะสมเช่นกันและเท่าที่ตัวผู้บันทึกเสียงเองได้ศึกษามาการอธิบายเรื่องนี้ละเอียดที่สุดและทุ่มเทวิจัยจรงิงจังและทุกข้อความจะอ้างอิงหลักฐานจากพระไตรปิฎกโดยไม่ขัดแย้งให้ตรวจสอบได้ก็คืออาจารย์พรรัตนสุวรรณ แต่สรุปสุดท้ายท่านก็มาสรุปเน้นเรื่องการปฏิบัติโดยเฉพาะสติปัฏฐานสี่อยู่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านแตกฉานและปฏิบัติถึงจริงท่านจะมองออกนะครับว่าคนตรงหน้านั้นควรสอนอะไรแค่ไหนและอะไรควรข้ามไม่ให้คนเหล่านี้สนใจแต่ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดเพราะคนเราจริตปัญญาต่างกันจะเห็นได้ว่า คนจำนวนมากนั้นสนใจเรื่องภพชาติกันมากแต่มักได้ข้อมูลผิดๆและก่อความเสียหายเกิดความงงง่ายเสียผู้เสียคนไปจำนวนมากและหลายครั้งก็เป็นเพราะพระที่ไม่รู้จริงที่พาชาวบ้านงง ง, งงงายหนักกว่าเดิมซะด้วยการศึกษาให้ถูกตรงตามหลักวิชาการจึงจาเป็นมากเพื่อปูพื้นฐานให้กับคนกลุ่มนี้ซึ่งพอเข้าใจระดับหนึ่งที่เป็นการเชื่อแบบถูกต้องไม่ขัดแย้งกับหลักธรรม จะเชื่อมั่นลึกลงไปว่าเวรกรรมมีจริงศรัทธาในการทําความดีจะมั่นคงมากกว่าจะเป็นเหตุให้ละมิจฉาทิฏฐิละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยละศิลรัปตะประามาตความงม ง, ง, งายในข้อปฏิบัติต่างๆได้ง่ายจะมีความเพียรศึกษาปฏิบัติธรรมได้ดีสู้อุปสรรคและทนกับปัญหาได้ดีกว่ามากซึ่งหนึ่งในคนที่ได้ประโยชน์เห็นชัดตามที่กล่าวมานั้นก็คือตัวผู้บันทึกเสียงเองที่กล้าพูดว่า ถ้าไม่ได้ศึกษางานของอาจารย์พรรัตนสุวรรณก็คงไม่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและทํางานเผยแผ่ธรรมะไม่อย่างจริงจังได้จนถึงทุกวันนี้นะครับจากประสบการณ์ตรงและการที่ได้เห็นความเสียหายจากคนจํานวนมากทั้งฝ่ายเชื่อและไม่เชื่อจึงอยากฝากให้ทุกท่านพิจารณาให้รอบคอบก่อนจะปักใจเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรและควรเปิดใจศึกษาธรรมะให้เหมาะสมกับจริตและปัญญาของตน และต้องระลึกเสมอว่าคนเราไม่เหมือนกันมีความถนัดความชอบต่างกันทางขึ้นเขาของแต่ละคนนั้นอาจจะเป็นเส้นทางคนละสายแต่ทุกสายก็มุ่งไปหายอดเขาเดียวกันได้เช่นกันทางบางเส้นทางนั้นอาจจะมองว่าเป็นทางอ้อมดูแล้วไปถึงช้าก็จริงแต่ระหว่างทางนั้นก็มีจุดแวะพักที่เหมาะกับคนที่ร่างกายยังไม่แข็งแรงได้พักผ่อนเพื่อเดินต่อได้อย่างมั่นคง ซึ่งคนเหล่านี้เขาไม่สามารถเดินรวดเดียวโดยไม่แวะพักได้เลยซึ่งถ้าหากจับคนพวกนี้มาเดินในทางตรงที่หลายท่านเห็นว่าดีนั้นความที่ร่างกายไม่พร้อมก็อาจจะทำให้เขาบาดเจ็บหรือเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยากเกินไปที่เขาสามารถจะทําได้จนในที่สุดก็มองว่าทางสายนี้มีแต่ความลําบากที่เกินความสามารถจะไปได้จริงๆก็ล้มเลิกความตั้งใจและไม่สนใจเส้นทางสายนี้อีกเลย ซึ่งเรื่องนี้ก็คล้ายกับคนติดยาเนะครับบางคนนั้นหักดิบได้เลยแต่บางคนก็ต้องค่อยๆลดปริมาณดังนั้นเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ของแต่ละคนจึงต้องมีความเหมาะสมและอาจต้องมีเส้นทางที่แตกต่างออกไปแต่ก็ต้องเข้าใจจุดหมายตรงกันด้วยว่าต่อให้เป็นทางคนละสายแต่จุดหมายนั้นก็ต้องเป็นไปเพื่อรู้แจ้งในเรื่องไตรลักษณ์อริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาท เพื่อละอัตตาตัวตนเพื่อถอนอุ ป, ปาทานในกายใจนี้ให้ได้ในที่สุดเท่านั้น